ความเจ็บความเจ็บความตายนี่แต่คนล้องไห้ไมีแต่คนเป็นทุกข์ไม่มีใครสนุกเรื่องนี้ต้องหาคบตอบให้ได้เรื่องนี้เท่านั้นจึงเกิดศาสนาพุทธศาสนาขึ้นมาเรกาก็ให้มันเป็นการบ้านของเราทุกคนทุกคนเหมือนกันหมดเพรามันลักษณะอย่าออกบวดเพื่อการอื่นอย่าไป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 ไปสู่ความไม่เกิดไม่เกิไม่เก็บ ไ, ไ, ไ, ไม่ตายไม่เป็นหาขนาดนั้นนั้นอยู่กับเราแต่ว่าก็มีขวงกัน้นเหมือนกันสิ่งที่ขวงกัน้นใหญ่ๆูเขาลูกใหญ่ลูกโตปคงขวางของห้านอนเรียกว่านิวรธรรมเด็กพู้เขาคิดพุ่งสาน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 แต่มันไม่ใช่เหมือนสีชีวิตของเราใจของเราจิตของเรามันสามารถที่ักได้ความหลงไม่ใช่เนื้อแท้ความทุกข์ไม่ใช่เนื้อแท้ความโกรธไม่ใช่เนื้อแท้ความเจ็บเจ็บตายไม่ใช่เนื้อแท้เนื้อแท้ของจิตคือไม่เป็นอะไรบริสุทธิ์แต่เดิมแต่ที่มันเป็นมันไปนสุกซนก่อนใขรชีวิตของเรามันุกสน เหมือนคนทุกคนในเรื่องต่างๆทุกคนในกวามมรคะก็เป็นเอิดทุกคนในความโกรธก็ติดพุกติดตะลางทุกคนในความโลภความหลงก็เป็นพ่อเป็นภยัยเสียหายเพราะใช้ชีวิตผิดพลาดทำไมตัวเองเดือดร้อนทำไมคนอื่นเดือดร้อนในความทุกข์สนเราจึงสามารถหัดได้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 จะไปจับจับใจจับความคิดเลยไม่ได้เรื่องจะเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยไปห้ามคิดไปควบคุมความคิดจนสงบเป็นก้อนดินก้อนหินสมองแบบนี้การศึกษาแบบนี้มีมาก่อนแล้วห้าพันปีอย่างน้อยนี่ก่อนวิปชะนาในรูปของสมมับบนธอาจารย์สนชัยเวรัตบุตร ที่กาะกำพลกูจกูเจอฉันนะยืนเจนถาวันขาขึ้นมาพันขึ้นมาพันขึ้นมาพันขึ้นมาเขาเห็มาก่อนแล้วไปดูทำอัชันตาอโลลาที่มันเป็นประวัติศาสตร์อยู่ที่วัลลังกบัตประเทศอินเดียอลโลลาเป็นของ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 ถ้าเป็นพระพุทธเจ้ารล่ะเพราะธาตุมีไหมยชยที่นี่มีไหมพระธาตุอันนั่นเนี่ยก็ชานตรงนั้นแปลว่าเผ า, าอะไรคือเผวลิสตินี่แหละมีสติเครื่องเผวจริริมันหลงลูกขึ้นมาตายไปแล้วความหลงหมดไปแล้ววันทุกข์ลูกขึ้นมาทุกข์เผวไปแล้ว มันทุกข์มันสบบกปกความหลงสบบกปกความหลงในสกปกที่สุดในเบื่เกื่อนใจเราหลงไปในความคิดถ้าเรามีสติจะโอ้ยเวลามันหลงรู้สึกว่าอยากจะเอามือลูบหน้าอกแต่ก่อนดืน้อด้านในความหลงเฉยจนหลงเป็นสกุลทุกข์ก็ยังเฉยหลงจนดตาตาร่วงก็ยังเฉย ไม่อายบางทีเอาไปอวดกันด้วยเอาความโกดที่เป็นผิดผลขมหลงไปอ้างกันถ้ากูได้โกรธตายกูไม่ลืมแต่กูได้โกรธกูไม่ด่ากูไม่ยอมถ้ากูได้โกรธ ก, ก, ก, ก, กูไม่ด่ามันไม่ยอมแล้วเนี่ยด่าดืด่าก็มันรู้สึกตัวมันทําไม่ได้ มันจะหมดไปสิ่งสุปกปรุกลั่นจะหมดไปเขาวอาฌานตัว น, นี้คือสติเนี่ยสติอย่างยิ่งอย่างพระเจ้าปะลิมพานตรงไหนละสุกละทุกได้มีสติเป็นเอกมีจิตเป็นเอกผุดขึ้นจากสุขจากทุกมีสติแล้วแหละอยู่ปะลิมพานตรงนี้ไม่ใช่ปะลิมพานที่ไหนอยู่ที่นี่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 ตรงนี้แหาะทำเป็นละอย่างทำให้มันเป็นจึงมาหัดให้มันเป็นไม่ใช่มาจำมาให้เรียนรู้ทุกคนน้่งอยู่นี่มีแต่ลูทั้นง้นาไม่ใช่มีใครไม่ลู้แต่ลู้นี่คนอื่นสอนเราแต่การนาไปเป็นเนี่ยเราต้องทำเไงเวลามันหลงลู่ขึ้นมาเนี่ยทำเป็นไหมเมื่มันอะไรมันลูกขึ้นมาเนี่ยให้มันทำเป็นตรงนี้หัดอย่างนี้ไปก่อน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 ใหญ่ขึ้นกลายเป็นเม็ดข้าวเอามากินเป็นเลือดเนื้อของเราอันจากสตินี่เป็นอะไรซับเป็นมรรคเป็นผลมรรคผลไปใช่อ้อนวอนเอางินดอนทองไปซื้อเอาไม่มีทางมีเงินล้นเงินลอยร้านซื้อเอาไม่ได้ต้องทำเอาเองเป็นอะไรซับแบ่งกันกันไม่ได้เวลาท่านหลงคนก็ต้อ ง, งเปลี่ยนหลงเป็นลูกเอง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 มีล่องรอยมีอยู่แล้ว ใ, ให้เกียรติตัวเองเลยให้สงสารตัวเองให้เป็นเวลามันหลงสงสารเราเวลามันทุกข์สงสารเราช่วยกายช่วยใจช่วยรูปช่วยนามอย่าเบียดเบี่ยนตนเองอย่าเบียดเลียนคนอื่น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 มันโกรธมีสธิไม่โกรธมันทุกมีสธิไม่ทุกเป็นธรรมะมที่ปัายเมื่อมันเปลี่ยนตรงนี้ก็เป็นโลกาที่ปตายเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นธรร ม, มาที่ปฏายประโยชน์ต่อธรรมอะไรเป็นธรรมขึ้นมาให้ควาเป็นธรรมทุกอย่างไม่ตินไม่ใยไม่เบียดเบียนเล่ท่าต่างๆไม่ทำลายตินว่นาอากาศไม่ทำลาย เราจะป้องกันด้วยเจทุดความสามารถนี่เราจะมีชีวิตแค่นี้ไม่เอาอะไรอีกขอใช้ชีวิตอย่างนี้นั่นนี้ให้เราทุกคนเนี่ยให้มันเห็นมันรู้เรื่องนี้ซะตื่นแต่ดึกศึกแต่หนม่มอย่ารอให้เท่ากั้เจอะแ่เจอเท่าเข้ามาแล้วมันทำอะไรค่อยได้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 ในช่วนั้นอายุเขยี่สิบเก้าพัรษาอดไม่ได้แล้วเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้ ก, กันอดไม่ได้ล้อไม่ได้อีกแล้วนายเก๋ไปคนนี้ไม่ได้อีกแล้วออกสะดุดสัญญากันอย่างดีกับพิมพ์ภาเราก็สืิตะก็ลักพิมพ์ภาพิมพ์ภาก็ลักสืิตะถากลมละของเราสองคนเท่านี้ไม่พอ ให้ความรักของเราเป็นเรื่องของโลกลักคนทั้งโลกที่จะสมศักดิ์ศรีแห่งความรักถ้าลรคนทั้งโลกจะต้องทำไงจะต้องหาคำตอบตรองนี้ให้ได้งานเกิดต้องมีความมาเกิดถ้ามีเจต้องมีความไม่เจตถ้ามีเจ็บต้องมีความไม่เจ็บถ้ามีตายต้องมีความไม่ตายหาคำตอบมาช่วยคนทั้งโลกมาช่วยมนุษย์ทั้งโลกให้ได้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 เด็กอพยตสามหลูอยู่ไดนอย่าไปไหนอย่าไปเที่ยวติรรดอนตรงไหนอยู่รชาชวังไม่ลำบากตกลงกันอย่างเลยเชี่อเลยเอาเถอพร ะ, สะเสด็จ พ, พี่เสด็จพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ใช่ลักกะาบุยไปไหนนี่ตกลงกันอย่างนีนี่มนุษย์ไปจะยิ่งใหญ่ขนาด น, นี้นะ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 น่าจะสอบนะน่าจะอ่านนะพวกเราที่อยู่ น, นะนัว่ายเสียงสนุสุนให้เรียนนะเรียนแล้วก็สอบเราไม่แค่ไปสอบไปอยู่ที่ไหนสอบแล้วเพื่อมาดับเพื่อจะรับผิดชอบรองนี้กันก็คิดว่าจะไม่พาหลงที่หลงทางไม่พาผิดศีลเติตธรมให้เชื่อฟังลองดูขึ้น